อยากจะได้ลูกอีกคนไหมล้ว<ม>คนเดียวพอนะหลายคนรงเดี๋ยวได้ลูกอีกคนลูกสาวก็ทุกข์ละไม่ได้มีเวลาให้กับลูกสาวเหมือนเมื่อก่อนนะต้องคอยดูลูกคนใหม่ลูกคนเก่าก็น้อยใจ มีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลแล้วก็ในที่สวยก็ต้องพัดพาจากกันมีแต่ความทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายแต่มองไม่เห็นกันแปลกของ ไมไ่มีอะไรปกปิดแต่กลับมองไม่เห็นเลื่อมกำไม่มองกันมองแต่ส่วนที่ดีพอใครไปมองส่วนที่ไม่ดีก็หาว่าคนมองโลกในแง่ลบนะมันเพราะโลกมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบนะจะไปมองแง่เดียวได้ยังไงไปมองในแง่บวก พอไปเจอแง่ลบก็ร้องไห้กันนะถ้ามองแง่ลบมันก็ป้องกันไฟได้ตนรู้ว่ามันเป็นไฟก็อยากเข้าไปหามันด้วไปหามันเองไม่มีใครเรียกร้องให้เข้าไปนหน่อยไม่เห็นว่ามันเป็นไฟไเห็นว่ามันเป็นสวรรค์ได้มาแล้วจะมีความสุข ได้แฟนจะมีความสุขอได้ลูกจะมีความสุขอแล้วเป็นไงสุขก็บ่าวสุขก็สุขอยู่แต่มันไม่ได้สุขอย่างเดียวนะมันมีทุกข์ตามมาด้วยเนะี่ยตัวนี้มองไม่เห็นกันกิเลสมันไม่ให้มองเรามีสองตามันปิดตาขะหนึ่งมันให้เห็นข้างเดียวให้เห็นให้เห็นความสุขแต่ไม่ให้เห็นความทุกข์กัน พอเจอเจอความทุกข์ก็มาถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงทุกข์เวลาคนตายนะคนมักจะถามทำไมทาไมต้องตายด้วยเพราะว่าเขาเกิดไงถ้าเขาเกิดเขาก็ต้องตายแต่ไม่มองกันนะพอตายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา เวลาเกิดก็ใหญ่ดีใจกันใหญ่เวลาใครเกิดเนี่ยเลี่ยงฉลองวันเกิดกันนะแต่ไม่มีใครเลี้ยงฉลองวันตายนะวันตายกับวันเกิดมันก็วันสําคัญเท่ากันมีเกิดก็ต้องมีตายถ้าไม่มีตายโลกนี้มันก็อยู่ด้วยกันลําบากนะถ้าคนตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์ยังอยู่ถึงบัดนี้ มันไม่แย่งกันกินเหรอเนี่ยแย่งกันฆ่ากันพันกันการความตายนี่มันทำหน้าที่ของมันมันทำให้โลกไม่ไม่มีคนมากเกินไปไม่ให้มีคนล้นโลกถ้ามันล้นโลกมันก็ขนาดขนาดมีคนตายมันยังแย่งกันเลยคิดดูแย่งกัน แย่งกันกินแย่งกันอยู่สงครามนี้มันก็เรื่องของการแข่งแย่งชิงดีกันแย่งทรัพยากรแย่งดินแดนมันเป็นเรื่องของความทุกข์ในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรมาถึงมาเกิดกันอันนี้แหละไม่รู้สาเหตุของการเกิดว่ามาจากอะไรมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระองค์เดียว ที่คนพบสาเหตุของการมาเกิดของการมาเกิดเพราะความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากริมรสอยากนมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆทางร่างกายก็เลยต้องมีร่างกายถ้าไม่มีก็ต้องสัมผัสแบบฝัน ตอนที่นอนหลับนี่มันไม่มีร่างกายให้พาไปดูรูปฟังเสียงมันก็เลยอาศัยเหตุการณ์ที่เคยไปทำมามาเป็นมาเป็นรูปเสียงกลิ่นรดไถ่เสกกัน่ะเวลาฝันเราก็เสกรูปเสียงกลิ่นรดกันใช่ไหมฝันว่าไปนู่นมานี่ฝันว่าไปทํานู่นทํานี่ออย่างวันก่อนคนก็ฝันถูก ถมีดบาทมันเจ็บเมื่อเกินมันก็เป็นเหมือนกับเราดูหนังย้อนหลังเนี่ยบางทีเราถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็เอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันพอเราอยู่บ้านเราออกฝนตกหรืออากาศไม่ดีออกไปนอกบ้านไม่ได้ เราก็ยังอยากดูอยากฟังเราก็เปิดไอ้ของที่เราไปถ่ายมาดูกันดูย้อนหลังนช่นี่แนะใจมันอยากตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนหลับมันก็อยากยังอยากดูอยากฟังอยากริมลิ้นรสดนมกลิ่นที่ร่างกายมันบอกเหนื่อยแล้วตอนนี้ขอพักก่อนเอาร่างกายไปไม่ไหวถ้าร่างกายไม่ต้องหลับนอนได้คิดว่าของเที่ยวกันแล้วใช่ไ เที่ยวกันทำงานกันไม่ต้องพักผ่อย น, น, นะถ้าร่างกายเป็นเหล็กเนี้ยนะขนาดรถยนต์มันยังต้องพักเลยรถยนต์วิ่งไปมากๆเดียวมันก็ร้อนนะแต่ใจมันไม่ยอมหยุดมันความอยากมันไม่หยุดนะหยุดมันอยากตลอดยี่บสี่ชั่วโมงพอนอนหลับมันก็เปิดของเก่ามาดูดึงเอาของเก่ามาดู ดึงเอาเหตุการ์เก่าที่ไปทำมามาเป็นตัวประกอบแล้วก็คิดปรุงแต่งไปที่มันจะคิดกลับกันเลยเวลาไปทำอะไรมาเนี่ยเวลานอนหลับมันจะกลับกันไปทำเขามาเรานอนหลับก็จะฝันว่าเขากลับมาทำเรา เ, เราไปทำความดีกับเขาแล้วเขาก็ เราก็ฝันว่าเขากลับมาทําความดีกับเราเราไปทําบาป เ, าเขาเราก็จะฝันว่าเขากลับมาทําบาปกับเร า, าเวลาฝันร้ายฝันว่าถูกโดนโดนทิ่มโดนแทงโดนจี้โดนป้นโดนอะไรต่างๆหรือถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดเบียนถูกลังแกก็เพราะเราไปลังแกเขามาก่อนไปทําเข้ามาก่อน พอเวลานอนหลับมันก็เลยมีแต่เรื่องที่ไม่ดีกลับมาให้เราดูกัน <Yeah. S 1> นี่แหละคือเรื่องของกรรมเนี่ยผลวิบากก็ที่เกิดขึ้นในขณะส่วนหนึ่งก็ขณะที่เรานอนหลับนี่ก็เจอแต่เรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องวิบากกรรมของบาปถ้าเจอแต่เรื่องดีฝันแต่เรื่องดีก็เป็นวิบากของ ของบุญของผลของบุญเวลาตื่นขึ้นมาก็ก็ไปเจอวิบากเหมือนกันบางทีก็เจอเหตุการณ์ที่ดีบางทีก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเพราะใจเรามันอยากมันเลยไปทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างนะการเกิดไม่ ไม่ดีเกิดเพราะอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแหม็มสินค้าที่เราผลิตมานี่มันเป็นสินค้าเพื่อตาหูจมูกลิ้นกายทั้งนั้นใช่กล้องก็มีไว้ดู ไ, ไอ้ที่หูฟังไอ้ลโพงก็มีไว้ให้เราฟังเสียง ม, มีเสียงหลากหลาย ต่อไปถ้ามันสามารถให้เราดมกลิ่นได้ก็คงจะดีนะอยากจะชิมสินค้าก็เนี่ยต่อไปมันจะมีกลิ่นเทียมให้เราดมพอเปิดดูน้าหอมกลิ่นน้ําหอมก็โชยออกมาทางเครื่องเลยดีไม่ดีต่อไปอาจจะมีรสให้ชิมด้วยมนุษย์เราพยายามเสกสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะ สัมผัสกับรูปเสียงกิน่นรนมันก็เลยหาวิธีต่างๆที่จะทำให้มันได้ได้เศษได้สัมผัสอย่างง่ายดายสะดวกเนีพอ <Yeah. S 1> สัมมือถือนี่เป็นเหมือนอะตะเกียงวิเศษไหยเคยจำสามาัยก่อนก็มีตะเกียงวิเศษนะให้รูปแล้วก็จะมะีนางที่อยู่ในตะเกียงออกมาแล้วถามว่าท่านต้องการอะไร อย่างนี้ก o เกิลก็มีอเล็กซ่ามีอะไรแอก็มีซิ r i อยากจะได้อะไรถามซิล i ดูใช่ไหม <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่ซิ r i บอกเลย <c oughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่บนนี้ท้ง a ฟ e b o ๊ k เข้ามาสองร้อยหกสิบห้าครับ ทง YouTube 83, าง y o u t u b บ83วิทยุออนไลน์18รับฟังข้างบนนี้54คน เ, เป็นทั้งหมด420ครับนี่ไป200อ๋อฟังไม่รู้เรื่องวันนี้เราก็กาัดไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะพูดไงอะไรพูดไปก็ไม่เป็นไรก็ชาวไทยเราเข้ามาได้ทุกวัน ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครอยากจะถามปัญหาวันนี้ถามได้เมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเพราะเมื่อวานนี้ก็ต้องตอบปัญหาภาษาอังกฤษก็ต้องแบ่งกันนะเพราะเดี๋ยวนี้มีชาวต่างชาติก็ติดตามใน u t u b e นี้ที่ดูภาษาอังกฤษนี้วิดีโออันนึ้งก็เจ็ดหกเจ็ดร้อยคนขึ้นไปก็มีคนสนใจบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจเขาก็ส่งคาถามเข้ามา เราก็รวบรวมคำถามแล้วก็มาถามตอบแล้วก็ใส่เข้าไปใน y u ูทูบใหม่อันนี้ถามได้ภาษาไทยวันนี้คำถามนะครับกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราสนับสนุนสามีให้ไปเยี่ยมพ่อแม่ตามการอันสมควรเช่นวันแม่แล้ววันเทศกาลต่างๆแต่ก็รู้ว่าถ้าไปแล้วเราจะมีเวลาปฏิบัติน้อยลงคงทำได้เฉพาะเจริญสติเท่านั้น แต่ลูกยินดีและเห็นว่าควรพาสามีไปพบท่านเพราะท่านคงคิดถึงลูกชายเขาค่ะลูกพิจารณาเหมาะสมไหมคะหรือกิเลสกําลังหลอกลูกให้ปฏิบัติน้อยลงหรือเปล่าคะพยายามไม่ไปข้างนอกหรือเดินทางไกลๆถ้าไม่จําเป็นค่ะถ้ามันมีเหตุจําเป็นจะต้องไปก็ไม่เป็นกิเลสนะแต่ถ้ามันมันไม่เป็นเหตุแต่เราอ้างว่าเป็นเหตุมันก็เป็นกิเลสดังั้นบางที เรายังมีภาระเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่เมื่อต้องสนับสนุนเขาเราก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเราไปจะเป็นกิลเลสไม่เป็นกิลเลส้นช่วงนี้ก็มันก็ไม่เป็นปัญหามากแล้ก็มันเพราะว่ามันยังต้องต้องทำอยู่ก็ถามตัวเองก็แล้วกันว่าต้องทำไหมถ้าต้องทาถ้าเป็นหน้าที่ถ้ามัน ต้องทำเพื่อให้คนที่อยู่ร่วมกันมีความสุขมันก็เป็นการปฏิบัติทำขั้นต่ำลงมาคือขั้นเมตตาเราก็มีความเมตตาเสียสละแบ่งปันเวลาของเราเพื่อให้ผู้อื่นเขามีความสุขอันนี้ก็เพียงแต่เปลี่ยนเป้าของการปฏิบัติจากการภาวนาไปสู่การแผ่เมตตาเนี่ยการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เรา พบปะประคนเพียงแต่ว่ามันสู้ภาวนาไม่ได้การภาวนานี้มันเป็นสุดยอดของธรรมแต่บางทีมันเรายัางเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เกี่ยวข้องกับคนอยู่ก็ต้องมีความสัมพันธ์มีที่ดีต่อกันก็ต้องมีภาระหน้าที่ต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันแม้แต่เป็นพระบางทีอยากจะไปภาวนาบางทีก็ต้องมาช่วยงานกัน งานส่วนรวมอันนี้พระเราก็ต้องทําถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีพระเขาเลยเห็นว่าถ้าอยากจะปีกวิเวกจริงๆนี่ต้องถ้าอยากจะภาวนาจริงๆต้องไปปีกวิเวกไปทุ่ดงคนเดียวถ้าอยู่กับวัดแล้วมันก็ต้องมีหน้าที่จะจะดูดายปล่อยวางเฉยก็ไม่ได้ดังนั้นพอมีหน้าที่ก็ต้องทำํำพอมันทํามันก็เลยทําให้เราไม่มีเวลามาภาวนา เห็พระที่อยากจะภาวนาบางทีท่านก็เลยต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์ว่าขอลาไปปีกเวเวกครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนามาท่านแค่สนับสนุนเพราะท่านปล่อยให้เป็นไปความสมัครใจถ้าไม่สั่งแต่ท่านสอนให้ภาวนาแต่พระบางองค์ภาวนาไม่ได้ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนทํางานไปก่อนเพราะถ้าไม่ทําเดี๋ยวฟุ้งซ่านให้อยู่เฉยอยู่เฉยไม่ภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ ก็เลยมีงานในในวัดทำกันไปช่วยกันไปมันก็เป็นการทำบุญระดับต่ำไปก่อนแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วอยากจะภาวนาถ้าอยู่วัดมันภาวนาไม่ได้ก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ว่าขอลาไปภาวนาท่านก็จะสนับสนุนทีนี้ท่านปล่อยให้เป็นไปตามระดับระดับจิตของเราพวกที่อยากภาวนาท่านก็สนับสนุนพวกที่ภาวนาไม่ได้อยากจะทางานท่านก็หางานให้ทำ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับหนูทำงานราชการไม่ได้รํารวยแต่พออยู่พอกินได้ไปทำบุญที่วัดทุกวันหยุดแต่แฟนหนูเขาบอกว่าควรหาอาชีพเสริมจะได้มีเงินร่ำรวยแล้วอยากทำอะไรก็ได้เสียเวลาไปวัดทั้งวันซึ่งหนูไม่เห็นด้วยหนูรู้สึกเป็นทุกข์มาก คิดว่าเรามีทัศนคติความคิดต่างกันมากไม่ควรจะฝืนคบกันต่อไปใช่ไหมคะก็ถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันทะเลาะกันก็อย่าคุยกันดีกว่าเพราะว่าคนเรามองโลกต่างมองต่างมุมกันเรามองว่าเราไปวัดเพื่อไปสะสมอริยทรัพย์สะ ส, ะสมทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็เพียงแต่ใช้ในขณะที่มีอยู่ ในชีวิตอยู่แล้วความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายนอกก็สู้ความสุขที่ได้รับจากทรัพย์ภายในไม่ได้เราทรัพย์ภายในก็เป็นทรัพย์ที่เราเอาไปใช้ต่อได้เวลาที่เราตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจหลักนี้ก็อย่าไปคุยให้เสียเวลาก็ถ้าถ้าแยกกันได้อย่างมีความสุขแยกกันโดยไม่ทะเลาะกันไม่เสียใจยินดีที่จะแ ย, ายากทางกันเพราะว่า มีทัศนคติไม่ตรงกันก็ดีแต่ถ้าแยกแล้มีเรื่องมีราวกันก็อาจจะต้องรอจังหวะรอโอกาสจะดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่บางทีมันก็ต้องแยกถึงเวลามันต้องแยกก็ต้องแยกแยกด้วยดีแล้วแยกด้วยไม่ดีก็แล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันคำถามจากคุณเนโกะครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้า่ะ หลานชายบวชในวัดพระสายปฏิบัติแม่ท่านอยากให้ท่านศึกแต่ตัวของลูกไม่อยากให้ท่านศึกทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ท่านเกี่ยวข้องกับทางโลกท่านเรียนจบปริญญาตรีแล้วออกบวชเลยไม่ได้ทำเรื่องจบให้เรียบร้อยพอผ่านไปหนึ่งพรรษาแล้วท่านจะต้องมาทำเรื่องจบแต่ลูกช่วยดำเนินการจนเสร็จทุกอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้ท่านมาเจอโลกภายนอกลูกจะบาปไหมคะ บาปตรงไหนล่ะบาปมันมีการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเดืม่มโสรายาเมาถ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่บาปนถ้าสนับสนุนในคนอยู่เป็นพระนี่มันบาปตรงไหนมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะการบวชนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ถ้าก็อยากจะบวชแล้วเราช่วยสนับสนุนให้เขาได้บวชต่อก็ดีสิใช่ไหมเช่นก็ จะได้ไม่ต้องออกมาจากวัดเพื่อมาทำธุระประปังภายนอกวัดซึ่งถ้าออกมาแล้วถ้าจิตเขายังอ่อนไว้อยู่เดี๋ยวเห็นอะไรแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะร้อนเป็นไฟขึ้นมาอาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเราช่วยท่านได้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะถือว่าบาปตรงไหนคำถามนะครับมีสองข้อครับกราบนะมัสการครับพระอาจารย์ ตอนทำบุญแล้วพระให้พรยถาสักพีผมได้กำหนดอุทิศบุญตอนนั้นถูกต้องหรือเปล่าครับเป็นการคิดสวนกันหรือเปล่าหรือต้องฟังอย่างเดียวจนพระให้พรเสร็จแล้วถึงจะอุทิศบุญเกรงจะเป็นการไม่เคารพในธรรมครับคือมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นสูตรนะ่ะเป็นสูตรเวลาพอทําบุญแล้วต้องให้พระยะถาแล้วยมก็กดน้าไปอันนี้เป็นสูตร ที่เขาสอนกันมาแต่รังตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการอุทิศบุญเนี่ยเราอุทิศของเราโดยที่ไม่ต้องมีพระมาสวดให้เรามันไม่เกี่ยวกันการสวดของพระนี้เป็นการสอนสอนว่าทําบุญแล้วแบ่งบุญให้กับผู้ตายได้แล้วก็พระก็อนุโมทนาคือสนับสนุนว่าการทําบุญนี้นอกจากอุทิศบุญแล้วผู้กระทาบุญก็จะได้รับความสุขความเจริญ ในอายุวันนะสุขาภาระด้วยดันั้นมันเป็นเรื่องคนละเรื่องที่คนเข้ามาจับมามารวมกันการอุทิศบุญนี้อุทิศได้ทันทีหลังจากที่เราทําบุญจะมีพระมาสว่วนไม่สว่วนไม่เกี่ยวกันแล้วก็ไม่ต้องมีน้ําน้ํานี้เป็นตัวอย่างของน้ําใจที่เราจะ อ, าอุทิศไปบุญนี่แหละคือน้ําใจอันอันอันดีงามน้ําใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขด้วยความอิ่ม เราอุทิศน้ำใจนี้ไปให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีผู้ที่ไม่ได้ทำบุญเขาจะไม่มีน้ำใจหล่อเลี้ยงจิตใจเขาเราก็เลยส่งน้ำใจของเราไปให้กับเขาด้วยการอุทิศด้วยการระลึกถึงชื่อเขาเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้ารอรับส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอมารับไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าบางทีเขาอาจจะมีบุญของเขาเขาไม่ต้องมารอรับก็ได้ แต่ถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาว่าเ อ, าอยังเป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันอยู่นะตายแล้วยังคิดถึงกันอยู่เขาก็จะอนุโมทนาชื่นชมยินดีว่ายังคิดถึงยังรักกันอยู่อันนี้การอุธนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับการให้พรแล้วทำบุญแล้วถ้าจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ได้บุญอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกัน ความจริงไม่ต้องให้พรเลยเนี่ยยาถาสัพพีเนี่ยสวดไปอย่างนั้นเองกระจายไหมเอาจริงๆมันไม่มีเป็นลมปากนี่แหละแต่ญาติโยมมันติดพอทําบุญแล้วไม่ได้ยินยาถาสัพพีมันไม่ได้บุญควจริงมันได้แล้วมันได้ตั้งแต่ตอนที่บริจากของไปเนี่ยใจมันสุขแล้วมันอิ่มขึ้นมาแล้วส่วนพระส่วนนี้เป็นการสอนนี่สอนภาษาบาลีญาติโยมไม่เข้าใจเลยคิดว่าเป็นคาถาอาคมวิเศษขึ้นมาทนั้นเอง จริงๆแล้เป็นคำสอนส่วนแรกที่พระหัวหน้าสวนนี้เรียกว่าญาถาเป็นการสอนวิธีอุทิศบุญส่วนพอพระร่วมรับสัพพีนี้เป็นการแสดงความยินดีต่อบุญที่เราได้ทาและแสดงอ น, นิสงส์ของบุญที่เราทําว่าจะทำให้เราเจริญด้วยอายุวันนะัสุขะภาละแค่นั้นเองสวดไปส่วนไม่สวดมันไม่ไม่ได้ทาให้บุญมากขึ้นหรือน้อยลง ยิ่งสมัยนี้หลงกันใหญ่เพราใสายบาดป๊ต้องให้พอเงกันทุกคนเนี่ยวันก่อนเดินบิณฑบาตเจอหลวงตาองค์หนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเราเจะใส่บาดคนหนึ่งก็ยะถาสภพีนันไอ้คนเรามาเป็นขบวนวนลอแกคนเดียวเลยต้องแซงไปเลยแซงญาติโยมขบวนน่หลงหลวงตารีบไปไหนก็ไม่ไม่รอแล้วละ่ะจะรีบกลับบ้าน ถ้รารอแกมันจะเพนจะได้กลับวันหรือเปล่าไม่รู้เนีมันเข้าใจผิดกันเนี่ยพระมาบวชสมัยนี้ก็ไม่มีใครสอนเห็นใครเขาทาเป็นตัวอย่างก็ต้องทําว่าโอ้ยเขาใส่บาตรแล้วต้องขอบคุณเขาต้องทดแทนบุญเขาเขาต้องให้พอยเองกไม่เกี่ยวกันไม่การทําบุญนี้ไม่ได้เป็นบุญเป็นคุณกันญาติโยมทําด้วยด้วยศรัทธาญาติโยมทำแล้วยญาติโยมได้บุญของโยมแล้วไม่ได้ไม่ได้บุญจากพระ บุญนี้เกิดจากการทำบุญของโยมเองแล้วก็ไม่มีบุญคุณต่อกันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากพระใช่ไห ม, ไมให้พะอยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์ไม่จำเป็นที่จะต้องขอบใจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นชาวพุทธเราจึงไม่ค่อยนิยมรลอคคำว่าขอบใจกันสมัยก่อนช่วยใครแล้วไม่มีการบอกขอบใจแต่จะบอกสาธุอนุธนา ชื่นชมยินดีในความเมตตาของเขาแต่ไม่ต้องขอบคุณกันไม่เป็นบุญคุณกันทำไม่ได้หวังบุญคุณทำเพื่อให้เกิดบุญในใจขึ้นมาข้อที่สองครับแล้วผมกำหนดอุทิศบุญไปว่าขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ข้าพเจ้าอุทิศให้บิดามารดาผู้มีคุณทั้งหลาย ให้เจ้ากรรมในเวรที่อยู่รอบตัวที่กำลังจะมาถึงที่เป็นเชื้อโรคในร่างกายให้สัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าพรากชีวิตโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนี้เป็นการเจาะจงลงไปในการให้ส่วนบุญพระอาจารย์ว่าผมอุทิศบุญแบบนี้ถูกตามแบบการให้ส่วนบุญหรือว่ายาวไปครับ ถ้ามีวิธีที่กระชับและได้ผลสูงสุดขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับก็คุณมีข้าวจานเดียวอะคุณจะเรียกคนมากินกี่คนนะถ้าเรียกคนมากินร้อยคนก็ได้กินกันแค่คนละเม็ดเท่านั้นนะถ้าเรียกมาคนเดียวก็จะได้กินทั้งชามยั้นการทําบุญที่นส่วนใหญ่เราเจาะจงกับบุคคลได้บุคคลหนึ่งที่เขาเราคิดว่าเขาเดือดร้อนเขากําลังเป็นเปรตอยู่อย่างเงี้ยเช่นเขามาเข้าฝันเร า, มาเมื่อคืนนี้มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราทํากับเขา เพราะถ้าราไปแบ่งให้คนอื่นเนะี่ยเขาก็ได้นิดเดียวเลยใช่ไหมยิ่งสัปปรปสัตว์ทั้งปวงนี่มันไม่รู้กี่แสนล้านตัวแล้วข้าวจานเดียวที่คนอุทิศไปนี่จะจะ ก, กินได้กันคนละกี่เม็ดอะใช่ไหมอันนี้พูดตามหลั ก, ห ล, กหลักเหตุผลเนี่ยนีเราชอบทําบุญทีทํานิดเดียวแต่อยากจะได้บุญเยอะๆอยากจะแผ่เมตต์อยากจะอุทิศให้เยอะๆแต่ทําแค่ข้าวจานเดียวเนี่ยแล้วมันคน คนร้อยคนมารอกินมันก็กิ น, ม, นก ม, มันก็ไม่รู้สึกได้กินอะไรเท่าไหร่ยิง่งมีข้าวจานเดียวก็ให้คนกินคนเดียวดีกว่าเขาจะได้อิ่มถ้าเราทําบุญในอุทิศนี้ส่วนใหญ่เราเจาะจงกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มากกว่านอกจากว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่มีใครมาเข้าฝันไม่มีใครมาขอบุญเราก็เหมือนกับอุทิศแปลว่าแล้วแต่ใครใครอยากได้ใครมาก่อนก็เอาไปอย่างเงี้ย สรรพสัตว์ทั้งครวงเงี้ยพูดได้แต่ไม่ได้มายความให้ทุกคนเอาไปแบ่งกันก็านนะี่ไหมหมายถึงว่าใครมาก่อนใครอยากได้ก็เอาไปเลยเพราะเราอาจจะมีดวงวิญญาณแถวนี้กําลังรออยู่ก็ได้ที่เขาไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยเราก็ทําไปถ้าเราไม่มีเหตุที่จะต้องอุดที่ให้คนใดคนหนึ่งแล้วก็วะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ยังรอรับส่วนบุญนี้ถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยเ อ, อ, อย่างนี้จะ ถูกต้องกว่าถ้าบอกขอให้ทุกสรรพสษษัตว์ทั้งหลายมารับส่วนบุญนี้ด้วยโอ้โหมันก็คนละเม็ดท่านนั้นน่ะข้าวมันอาจจะไม่ถึงเม็ดด้วยซ้ำไปสรรพสัตว์นี่มันเป็นล้านตัวนะฮะคำถามจากคุณอนัทครับกราบนรมัสการครับ ถ้าคนนิ้วชี้ขาดข้อเดียวสามารถบวชพระได้หรือเปล่าครับต้องไปถามพระอุปชาที่เขาจะบวชให้ว่าเ้าจะจะบวชให้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการไม่รับคนพิการมาบวชนี้พิการแบบไหนถึงบวชได้ไม่บวชไหนอันนี้แล้วแต่ผู้ที่รับบวชคือเป้าหมายก็คือให้มาพึ่งตัวเองได้ ไม่ใช่มาบวชแล้วถ้านั่งรถเข็นมาบวชนี่มอกไม่ไหวแล้วนะนอกจากว่าถ้าบวชอยู่แล้วแล้วแก่แล้วเป็นน้ำมาพื่กรรมภาสนี้ไม่เป็นไรแลนะพ่อบวชแล้วเป็นพระแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาคอยเลี้ยงดูอยู่แต่ถ้าเพราะเป็นคนพิการแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้ก็อาศัยมาสายศาสนาต่อไปศาสนาก็เป็นศาสนาของคนพิการไปเลยคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดก็มาขอบวชกันพอบวชแล้วก็มีคนมาคอยเลี้ยงดู นีศาสนาก็เจงขึ้นเลยใช่ไหมเพราะไม่ได้มาศึกษาไม่มารับปฏิบัติการมาบวชนี้เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเห็นผู้ที่จะรับผู้ที่มาบวชนี้ก็จะดูว่าสามารถศึกษาได้หรือเปล่ปาสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่ปาถ้าศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เช่นคนหูหนวกนี้หรือตาบอดนี้จะมาสอนกันได้ยังไงก็ไม่รับบวชนต้องดูศักยภาพเหมือ น, นเวลาเราไปสมัครมหาลายัยเขาดูเราบอกว่าเรามีศักยภาพหรือเปล่า เราเราจบเปรตเท่าไหร่อะไรใช่ไหมไม่ใช่ใครอยากจะมาสมัครก็บวชมันรับหมดอย่างจุลาก็ลน้นอย่างเงี้ยจุาลาธรรมศาสตร์นี่เต็ไมไปหมดนะถ้าเปิดกว้างแบบแบบรามกําแหงเนี่ยรามกำแหงนี่เปิดกว้างนะใครอยากจะเรียนไปเรียนเลยเอสมัครได้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาผูดพูดรับพูดรับสมัครเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่า จะบวชได้ไม่ได้เพราะผู้รับสมัครนั้นจะเป็นคลรับผิดชอบพระองค์นั้นอุปชาะจะรับผิดชอบถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็ต้องดูแลพระองค์นั้นแล้วละถ้าเกิดมาบวชได้สามวันเป็นอามภพกรรมภาพมาาไม่มีใครดูแลก็เป็นหน้าที่ของอุปชาว่าอุปชานี้ถือเป็นพ่อของพระผู้ให้กำเนิดต่อผู้มาบวช <Yes. S 1> ฉะนั้นอุปชาต้องเป็นคนตัดสินาว่าจะจะรับหรือไม่รับ พอดีเน็ตเน็ตมันดับไปครับดับไปเมื่อกี้ดังสัญญาณไม่เป็นไรคำถามเลยหายไปครับค่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่มันขาดเนยครับอนิจจานี่ก็เรียกว่าอนิจจ่าไม่เที่ยงใช่ไหมไม่มีรายงาแน่นอนถาวรมีเกิดแล้วก็มีดับะมีดับแล้วเดี๋ยวก็มีเกิดใหม่ดังั้นเราอย่าไปตื่นเต้นกับการเกิดการดับถือเป็นเรื่องธรรมดา หัดอยู่กับการเกิดการดับให้ได้แล้วจะไม่มไม่จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันดับอยากให้มันเกิดอย่างเดียวเกิดแล้วอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆพอมันดับก็ทุกข์กันเพราะลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องมีการดับ <c oughs> นั้นถ้ามันจะดับก็ขอให้มันของเป็นของคนอื่นนี้แต่ของเราดับไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <k> <k> เลยทุกข์กันนะ ต้อคอยเตือนใจผู้เจ้าสอนให้เตือนใจว่ามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายไปเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปไม่ได้เรามีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาลงพ้นจากการพัดพากจากการไปไม่ได้เรามาตัวเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าเวลาเรามาเราสามีเก่ามาด้วยป่า เอาลูกมาด้วยป่ะมาแล้วก็มาหาใหม่กันใช่ไหมแล้วเวลาไปก็ทิ้งของเก่าไปแล้วก็ไปหาใหม่ข้างหน้าต่อทำไมต้องไปแบบทุกข์ด้วยเมื่อรู้ว่าจะจะได้ไปของได้ของใหม่คนจะดีใจใช่มากกว่ากลับไม่ยอมอยากจะเสียดายของเก่าอยากจะให้ของเก่าอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่าการ การตายก็เพื่อการไปเกิดถ้าเรายังอยากเกิดอยู่ก็ต้องควรจะดีใจได้ไปเปลี่ยนร่างกายร่างกายมันเก่ามันแก่แล้วอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวไปเกิดใหม่ได้ร่างกายของเด็กทารกออกมาจากท้องแม่แข็งแรงเลี้ยงดูไม่กี่ปีก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทีนี้อยากจะทําอะไรก็ทําได้เต็มที่เพียงแต่ว่ามันทุกข์เท่านั้นเองทุกข์เพราะว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ อยากได้อะไรถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าได้มาแล้ว เ, เสียไปก็เสียใจอีกเนี่ยมันทุกข์แค่ตรงนี้แต่เพื่อเพื่อเป็นการปลอบใจเวลาเราจะตายเพื่อจะให้เราไม่ทุกข์ก็คิดว่าเราไปเปลี่ยนร่างกายก็แล้วกันเพราะเรายังไม่มีความสามารถที่จะหยุดการเกิดได้ก็มองไปในแง่ดีก็แล้วกันกว่าดีก็อยู่อยู่ก้อยร่างกายอันเก่านี้ร่างกายอันเก่านี้มันหมดสภาพแล้ว เหมือนมือถือที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวพอมันหมดสภาพก็ยโยนทิ้งไปดีกว่าซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องใหม่ออกมาใหม่ดีกว่าเก่าอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียใจเวลาเราต้องตายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการไม่มาเกิดดีกว่าแต่ถ้ายังมาเกิดก็ให้มองอย่างนี้จะได้เวลาตายจะได้ไม่เสียใจมากให้รู้ว่าเรายังไปเกิดอยู่ และสิ่งที่จะทำให้เราเกิดดีก็คือบุญอั่นพยายามทำบุญเยอะๆไว้แล้วบุญจะพาให้เราไปได้แต่สิ่งที่ดีที่งามต่อไป <c oughs> ครับคำถามจากคุณเบนนี่ครับอยากกราบถามว่าน้องชายกําลังจะเลือกอาชีพควรแนะนำในการเลือกอาชีพน้องอย่างไรคะเขาปรึกษากัเหรือเปล่าถ้าก็ไม่ปรึกษาก็ไม่ต้องไปบอกเขาแรา้ว ถ้าเขาถามแล้วก็บอกเขาเลือกอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นไม่ไปทางความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นหรือไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาสร้างความเสียหายหเดือดร้อนเช่นขายสุรายาเมาถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดื่มเองเราไม่ได้ทําให้ใครเขาเดือดร้อนแต่คนที่มาซื้อสุราก็าดื่มแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นงั้นอย่าไปทําอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้เช่นขาย ขายเครื่องไม้เครื่องมือฆ่าคนนีขายอาวุธขายปืนขายระเบิดหรือขายยาพิษสารพิษที่เขาไปฆ่ า, มาแมลงหรือขายสิ่งที่เขาไปใช้ดักสัตว์นี่หรือเบ็ดเพื่อตกปลาแหอวนอะไรพวกนี้มันเป็นการส่งเสริมไม่มีการฆ่ากันด้วย อ, อ, อย่าไปค้าเป็ดค้าไก่ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเราเรา่าเราขาย แต่คนที่ซื้อไปเข้เอาไปฆ่าก็อย่าก็อย่าทำอาชีพเหล่านี้ให้หาอาชีพที่เป็นสามมอาชีพเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นพระนี่อาชีพที่ดีอาชีพดีที่สุดก็เป็นพระเนี่ยตาถามว่าถ้าเขาปรึกษาก็บอกเป็นพระเถอดดีที่สุดอาชีพนี้รับประกรันไม่อดตายแน่ๆครับคำถามนะครับเวลานั่งสมาธิ กำหนดพองยุบแล้วนับเลขไปด้วยผิดไหมคะแล้วพอมันจะสงบก็ดีใจว่าสงบแล้วพอรู้ตัวแบบนี้แล้วก็ไม่สงบอีกควรทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็นับต่อไปเิดูต่อไปยุบหนอพองหน่อก็แล้วก็นับไปพอหยุดปั๊บมันก็จิตมันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็สงบก็หายไปพอดีใจครับปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราดีใจ เพรนเวลามันสงบมันยังไม่นิ่งเต็มที่ยังไม่ตกหลุมตกบก่ก็นับต่อไปดูถ้ายังดูยุบหนอพองหนอได้ก็ดูต่อไปนับต่อไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบก่แล้วมันเย็นสบายแล้วนิ่งไม่ต้องทําอะไรแนละ้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรให้สติ ป, ประครับประคองความนิ่งไปจนกว่าจะมันจะออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าอยากจะนั่งต่อกันเริ่มยุบนับใหม่ยุบหนอพองหนอใหม่ต่อ คำถามจากคุณสมเกียรตครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากถามว่าดวงจิตหลังความตายมีการแบ่งแยกไหมครับเรื่องเชื้อชาติภาษาขอบพระคุณครับดวงจิตก็เป็นดวงจิตที่รู้ที่คิดไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมันก็รู้ก็คิดแล้วมันจะคิดว่ามันเป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นจีนก็แต่เมื่อมันมีร่างกายพอมีร่างกายเป็นจีนมันก็จะถูกสอนว่ามึงเป็นจีนนะ ทำในร่างกายฝรั่งก็จะถูกสอนว่าเป็นฝรั่งมันก็แยกกันไปตอนที่มีร่างกายตอนที่มาเกิดนี่จะถูกสอนใหม่ไงชาติก่อนเป็นฝรั่งแต่ชาตินี้มาเกิดเป็นนิโกเงี้มันก็จะถูกสอนว่าตอนนี้เป็นนิโก้นะไม่ได้เป็นฝรั่งผิวขาวแล้วมันขึ้นอยู่กับร่างกายมันร่างกายเป็นเหมือนตัวละครไงเป็นเป็นบทละครตัวละครที่เรามาเล่นกัน เวลาเรามามาเกิดนี่เกิดเหมือนกับเราไปสมัครเล่นละครที่โรงละครแล้วผู้กำกับก็ บ, กบอกอ่ะเล่นเป็นเป็นนายเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดเป็นคนดีเป็นคนชั่วเขามีบทให้เราเล่นไปเราก็เล่นตามบทที่เราได้รับมาทางร่างกายพอเรามาเกิดกับคนไทยเขาก็สอนให้เราพูดไทยให้เรากินข้าวไทย แต่ถ้าตอนที่เราเกิดแล้วเกิดฝรั่งมันขออุปถัมมาไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่เมืองนอกโตขึ้นมามันไม่เป็นคนไทยนะถึงแม่ร่างกายเป็นไทยแต่มันถูกสอนให้เป็นฝรัง่งคิดแบบฝรัง่งกินแบบฝรัง่งอะไรเป็นฝรัง่งไปหมดดังนั้นนี่มันเกิดจากการที่เรามาเกิดหลังจากที่เรามาเกิดแต่ส่วนที่ไม่ไม่ถูกเปลี่ยนคืออะไรก็คือนิสัยไม่เปลี่ยนเคยชอบเคยเกลียด อ, อะไรนี้ไม่เปลี่ยนเคยชอบสีแดงสีเขียวมันก็จะชอบสีแดงสีเขียว เคยถนัดมือซ้ายมือขวามันก็ยังจะมาใช้ถนัดมือซ้ายมือขวาอยู่เคยมีนิสัยแบบไหนเกเรก็จะเกเรเรียบร้อยก็จะเรียบร้อยอันนี้ไม่เปลี่ยนมันจะมาอยู่ฝังอยู่ในจิตไอ้ตัวที่เปลี่ยนก็คือตัวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายคำถามจากคุณวันครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเผลอไปเหยียบเงาพระจะเป็นอะไรหรือไม่ครับ ไม่เป็นหรอกเงาก็เงาไม่หัวพระเท่าไหร่คำถามจากคุณชนะตนปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนไปเรื่อยๆจนมั่นใจระดับหนึ่งว่ามีความสุขในใจมากขึ้นพึ่งสิ่งภายนอกเท่าที่จำเป็นเห็นตามที่พระอาจารย์สอนไปตามลำดับคิดว่าเราต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นกำลังใจตลอดสายการปฏิบัติ นี่คือการติดครูบาอาจารย์หรือไม่คะก็ต้องติดะคนตาบอดไม่ติดคนตาดีไปเองได้ไงก็ต้องไปจนกว่าจะมีตาของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องอาศัยแล้วผยาระหันนี่ไม่ไม่ไม่ต้องฟังพระพุทธเจ้าแลแต่ถ้ายังไม่เป็นผ้าอะหันนี่ยังต้องฟังพระพุทธเจ้าอยู่เพราะยังยังยังไม่ไม่ตายังไม่ดีเต็มร้อยยังต้องรักษาตาไปให้มันดีเห็นชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเห็น ผ้ า, าระหันพอเป็นพรผ้าแล้วจะเห็นแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าเห็นแต่ถ้าตับกับผ้าละหันนี้ยังเห็นไม่ไม่เท่าพระพุทธเจ้าเห็นยังมีมุมบอดอยู่มองมองไปทางซ้ายยังบอดมองไปทางขวายังบอดอยู่อาจจะมองเห็นแต่ตรงกลางแต่ซ้ายขวายังบอดอยู่ก็ต้องอาศัยคนที่เห็นซ้ายขวาว่าเป็นยังไงมาบอกว่าซ่างคล้ายมีงูนะซ่างขวามีเสือน ะ, อะจะได้รู้วิธีที่เราจะได้ไม่ไปเจอภัยต่างๆ ฉะนั้นต้องติดคูบ า, าจาย์ไปจนกว่ า, าจะหลุดพ้นจนกว่ า, าจะเม่เช่นนั้นก็จะต้องคำทางไปเองอย่างพระอานนท์นี่เห็นไหมพระอานนท์นี่พอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ต้องไปคำทางเองต้องไปปฏิบัติเองแต่าสายคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาจนชินหูเอามาสอนแต่ก็ไม่ดีเท่ากับถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัว ถ้ามีปัญหาถามได้เลยนี่ถ้ามีปัญหาต้องคิดแก้เอาเองต้องคอยหาค้คนหาคําตอบจากคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าเจอถ้าเจอก็ ก, ก็แก้ได้ถ้าไม่เจอก็ต้องอาจจะลองผิดลองถูกเอาไปเห็นการมีครูอาจารย์มันดีกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าถ้ามีครูอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวัน แต่ไม่มีก็เลยต้องลองผิดลองถูกการติดกูบาร์จานี้ไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายถ้าติดเพื่อให้เราบรรลุถ้าติดเพื่อจะได้อยู่ใกล้ท่านเห็นหน้าท่านแล้วแฮปปี้ได้ยินเสียงท่านแล้วแฮปปี้ถ้าติดอย่างนี้ก็ไม่ดีบางคนติดแบบนี้ติดรูปติดเสียงท่านเห็นแล้วให้ท่านยิ้มให้เราโอ้ยมีความสุขถ้าท่านถามว่าเป็นไงลูกสบายหรือจะโอ้ดีใจ แต่วัานไหนไม่ถามก็หน้าบึ้งขึ้นมาวัานไหนถูกดุหน่อยก็หน้าบึงง้งอางนี้ติดแบบนี้ไม่ถูกติดต้องติดคำสอนที่ให้ติดนี่ติดคำสอนแต่อย่าไปติดคนสอนเข้าใจแต่คนสอนกับคำสอนมันอยู่ที่คนสอนมันก็เรินต้องไปติดอยู่กับคนสอนแต่ให้ติดที่คำสอนคำสั่งคำสอนอย่าไปติดที่ลูกที่หน้าตาที่กิริยาต่างๆอันนั้นไม่ใช่เป็นคาสอน คำถามจากคุณจูนครับกราบน้ำมการพระอาจารย์ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับยามเช้าตื่นมาบอกตัวเองว่าเราต้องใช้สติตามลมหายใจพุโทโธให้ทันทุกๆุกขณะพอมาทำงานพบผู้คนก็ลืมสิ่งที่ย้ำเตือนตัวเองตอนเช้าพอคิดได้ใหม่ก็พุโทโธพุโทโธแต่ก็ลืมอีกตามเคยทำยังไงถึงจะมีสติตลอดครับ ก็ต้องไปอยู่คนเดียวไงถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรมาดึงใจเราให้ไปออกจากพุโทโธจากลหมหายใจแต่ถ้าเรายังต้องทํางานอยู่มันก็ต้องมีเรื่องมีราวมาดึงให้เราไปพอเราไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับเรื่องราวมันก็ลืมพุโทโธไปเพราะมันใช้พุโทโธไม่ได้มันต้องใช้ความคิดกับเหตุการณ์กับกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นฉังนั้นคนที่ก็อยากจะเรียสติเขาถึงใบบวชกัน หรือไปไปอยู่วัดกันถ้าไม่ได้บวชก็ต้องไปอยู่วัดไปอยู่คนเดียววัดจะเป็นที่ที่สนับสนุนให้อยู่คนเดียวไม่ให้ยุ่งกับใครให้มีเวลาได้ฝึกสติตลอดเวลาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกยังไม่เข้าใจประโยคที่มีคนเตือนว่าทาดีได้แต่ยาเด่น เพราะบางครั้งเราตั้งใจทำความดีอย่างบริสุทธิ์ใจและตั้งใจจะทำมานานพอมีโอกาสจะรีบทำแต่กลัวว่าจะทำตัวโดดเด่นเกินผู้อื่นหรือเวลาทำแล้วได้รับคำชื่นชมก็เกรงว่าผู้อื่นจะว่าเราทำเอาหน้าเจ้าค่ะเวลาจะทำอะไรที่เป็นเรื่องดีต้องระวังอย่างยิ่งเจ้าค่ะจึงขอให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ คือทํําทาดีอย่าเด่นนะครับว่าอย่าทําเพื่อความเด่นทําเพื่อความดีทําแล้วใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าทําแบบเด่นเราจะทำไอทีต้องเรียกช่างภาพมาถ่ายรูป <c oughs> อย่างนี้เ้าทําทําดีเพื่อเด่นบริษัทที่เขาทาบุญเทนิ่นี่ต้องลงนังสือพิมพ์สิบฉบับเรียกนักข่าวมาจากสิบฉบับมาถ่ายรูป ก, กันแล้วก็ไปลงอันนี้ทําทําดีเพื่อเด่น อย่าทาแบบนี้เพราะมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ทําเพื่อความดีมันทําเพื่อความเด่นมันเรียกพีอาร์ใช่ไหมอันนี้เราก็เรียกทําเพื่อพีอาร์ทำเพื่อความดีนี่เราถ้าเราปิดทองหนังพระได้แล้วก็ไปปิดทองหนังพระทําไปโดยที่ไม่ต้องการให้คนเขารู้แต่บางทีมันทําแล้วคนก็ต้องรู้ก็ก็ช่วยไม่ได้ก็ทําไปแต่เราไม่ได้ทําเพื่อให้คนรู้ให้เพื่อให้เขาประกาศรายชื่อเช่นบางทีบางวันนี่ถวายกระเบื้องก็ต้องประกาศชื่อเอถวายเออ่ ปูนหนึ่งก็สอบก็ประกาศชื่ออย่างเงี้อันนี้ทําทําดีเพื่อเด่นเนียถ้าทําดีจริงๆก็ไม่ไม่กล่าวผู้ไม่ประสองค์ออกนามอย่างเงี้ยขอถวายปัจจัยแค่นั้นแค่นี้อนี่เรียกว่าทําดีเพื่อดีไม่ได้ทาดีเพื่อเด่นแต่บางทีถ้าเขาต้องประกาศก็ปล่อยช่วยไม่ได้แล้วบอกเขาก่อนไม่ประกาศได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้ก็โอเคทําไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะเด่นก็ไปทําที่อื่นก็แล้วกัน ทำที่นี่แล้วประกาศเราไม่อยากให้เขาประกาศเราก็เปลี่ยนที่ทำก็ได้อันนี้คือที่ในหลวงบอกให้ปิดทองหลังพระเนี่ยทำความดีอย่าเพื่ออย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นทำเพื่อความสุขใจทำเพื่อให้ใจเราดีเท่านั้นเองอันนี้คือทำโดยทำดีเพื่อดีไม่ได้ทำดีเพื่อเด่นทำดีเพื่อเด่นนี่บางคนไปไหนที่ต้องมีกล้องติดตามไปทุกระยะเลยใช่ไหม ถ่ายหน่อยนี่แอคชั่นถวายของทีก็โอแอคชั่นกันเหลือเกินกว่าจะได้ถวายพระหน่วยนั่งรอแล้วรออีกเนี่ยทอันไหนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตากระจายอ่ะไปต่อคำถามคำถามจากคุณจันเพนครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือไม่เป็นคะ อยากรู้ว่าทําได้กับไม่ได้ต่างกันอย่างไรคะเออพราะนั่งปุ๊บแล้วจิตก็สงบมีความสุขจิตนิ่งไม่คิดไม่ปรุงสบาย อ, อนี่ก็เราก็ทำเป็นแต่ถ้านั่งแล้วยังอึดอัดอึดอัดอึดอัดยังพุดโธสองคำแล้วก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วกลับมาพุดโธอย่างนี้กําลังยังกําลังหัดอยู่ออคําถามจากคุณสุธามน์กราบนมัสการค่ะอยากจะถามว่าเวลาจิตตกจะทําอย่างไรคะ ก็ทำให้มันขึ้นเลยไม่ยากเลยที no <S <s ่มันตกเพราะมันไม่มีสติเขานี่นะมันปล่อยให้จิตคิดคิดไปในทางไม่ดีมันก็ตกนะนั้นก็หยุดมันคิดใช้สติหยุดมันมันก็จะหยุดตกคิดน้อยเนื้อต่ำใจนี่มันก็ตกละก็หยุดมันเสอย anyway. ่าไปคิดให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพอมันหยุดคิดน้อยเนื้อต่ำใจมันก็ไม่ตกละคาถามจากคุณยุพาดี กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือสัตว์ที่มีขันห้าขันขันเดียวมีขันสี่ขันคืออะไรบ้างเจ้าคะโยมยังไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค่ะเวลากรวดน้ําให้พวกเขาคือเป็นสัตว์จําพวกไหนบ้างคะ อ, อ๋อขันห้าก็พวกเรามนุษย์เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์เดรัจฉานก็มีขันห้าเหมือนกันเอ ขันสก็พวกเทวดาหรือพวกกายทิพย์ทั้งหลายไม่มีร่างกายมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าขันเดียวก็คือพวกพรหมพวกพรหมนี้จะมีแต่วิญญาณรับรู้อย่างเดียวทุกอย่างอื่นสงบหมดก็เหลือขันเดียวถ้าเป็นพรหมก็ขันเดียวถ้าเป็นเทพก็สี่ขันถ้าเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็ห้าขันกระจายยัง คำถามจากคุณวรวรรณกราบพระอาจารย์นั่งสมาธิพุทธโธจนจิตสบายเย็นเบาสักพักรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ท่ามกลางจิตจำนวนมากอื้ออึงรู้สึกกลัวเร่งพุทธโธต่อกลับได้ยินชัดขึ้นกลัวเลยถอนสมาธิออกมาแบบนี้นั่งต่อไปเรื่อยๆจะหายไปเองใช่ไหมเจ้าคะต้องมีพุทธโธ ถ้าพุดโทหายแล้วจิตมันปรุงแต่งอันนี้เป็นเรื่องปรุงแต่งของจิตสร้างภาพหลอกหลอนจาจิตอีกทีนึ่งพอเราหยุดพุดโธเมื่อไหร่มันมันก็จะเริ่มออกอาการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเวลาเราพุโทโธใหม่ๆมันไม่หายทันทีแล้ ว, ลวก็ต้องขยันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการที่มาปรากฏมันไม่เป็นภาพหลอนภาพลวงมันไม่มีพิษไม่มีพิษมีภายอะไรตัวที่เป็นพิษเป็นภัยก็ตัวเราเนี่ยแหละที่ไปมีอากาปกิริยากรรมมัน ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปแต่อาจจะไม่ได้หายแบบทันทีทันใดก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิถึงบอกว่าอย่าขาดพุดโทโธอย่าขาดลมหายใจต้องมีอะไรกำรรกับใจถ้าหยุดเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวจิตมันจะแผลงฤทธิให้เราดูทันทีคำถามจากคุณวิทวัตรกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระกําลังหัดสวดพระปฏิโมกษ แต่เราไปชวนท่านคุยจะเป็นบาปไหมครับทําไมต้องให้พระสงฆ์งฟังสวดพระปฏิโมก้วยครับพระปฏิโมกข์ก็คือศีลของพระไงมีทั้งสองรอยิบเจ็ดข้อถ้าไม่สวดให้ฟังเดี๋ยวก็ลืมไงก็เลยต้องให้สวดให้ฟังทุกกลุ่มเดือนทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันนี้จะต้องมีพระมาสวดพระปฏิโมกข์ให้พระทั้งวัดได้ยินกันเพื่อจะได้รู้ว่าศีลสองรอยยิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างางั้นก็เลยต้องมีพระมาคอยสวดแล้ว คนฟังก็ตั้งใจฟังข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างข้อที่สองมีอะไรบ้างไล่ไปถึงข้อส2 7ร้อยยี่เลยคำถามจากคุณลินลี่กราบนมัสการค่ะเราจะใช้อุบายอะไรเพื่อเพิ่มความเด็ดขาดได้บ้างความเพียรให้มากขึ้นได้บ้างค่ะมรดการต้องต้องลงโทษตัวเองเวลาตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่ทำนี่ต้องลงโทษยันจะนั่งสมาธิชั่วโมงนั่งได้10นาที ก็ต้องลงโทษเนะยชอบอะไรชอบดูอะไรก็อยาบไปดูชอบดูละครวันนี้ก็งดไปหรือมาตรการบางอย่างอย่างน้องตานท่านมีมาตรการแก้ความหิวท่านบอกท่านบวชใหม่ๆนี่พอล้างบาทล้างบาทเสร็จเช็ดยังไม่ทันแห้งหิวเลยนะแล้วบอกถ้ามึงหิวแบบนี้ต้องไม่กินสามวันออท่านก็ไม่กินจริงๆพอท่านอดอาหารสามวันต่อไปมันไม่กล้าหิวนะ พอเรากินไปหยกๆอะ่ะกินอิ่มหยกๆมันหิวใจมันหิวแต่ร่างกายมันไม่หิวล่ะยังวิธีต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นต้องโหดๆมันมาโหดแล้วก็ต้องโหดกลับไปงั้นสู้มันไม่ได้นะเราต้องพร้อมที่จะลงโทษตัวเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งชอบอะไรก็ต้องหยุดมันชอบดูทีวีก็ต้องหยุดมันสามวันบอกให้นั่งสมาธิชั่วโมงนั่งสิบนาทีแล้วก็ไปเปิดทีวียังต่อไปอย่าไปเปิดสามวัน อย่างเนี้ยต่อไปมันก็จะไม่กล้าแต่เราต้องกล้าลงโทษตัวเราเองปัญหาอยู่ที่เรากล้าลงโทษตัวเราเองหรือเปล่าชอบลงโทษคนอื่นเนาะแต่ตัวเองนี่ไม่ยอมไม่ชอบลงโทษตัวเองเลยเราถึงไม่ค่อยได้ดีกันเนาถ้าเราลงโทษตัวเราเองได้เนี่ยโอ้ได้ดีแน่ๆเพราะมันจะไม่กล้ามันไม่กล้าเพราะมันทำอะไรไม่ดีมันจะถูกลงโทษทันทีคําถามจากคุณนภพั ทุกวันนี้เวลาเข้าห้องสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าวันไหนนั่งจนใจนิ่งสงบก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรแต่ถ้าวันไหนใจไม่สงบก็ไม่แผ่ทำอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะไม่ถูกหรอกเพราะไม่ได้แผ่จิตสงบไม่ไม่สงบมันไม่เกี่ยวเวลาแผ่ไม่ต้องแผ่ตอนที่เจอกันตอนที่เจอกันเอาขนมมาฝากกันนี่เราแผ่เมตตาไม่ใช่เจอกันเราแยกเคี้ยวสายกัน เวลาแผ่เมตตาต้องการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดนั่งอยู่คนเดียวก็สวดสัพเพสัตตาเวลาโหนตุนี่มันไม่ได้แผ่ให้ใครา้ยมันเป็นการสอนผู้สวดว่าการแผ่เมตตามีอย่างไรบ้างไม่จองเวรกันไม่ทำร้ายกันให้ความสุขแก่กันนี่ความหมายของการแผ่เมตตาอย่างเวลาเราอยากจะแผ่เมตตาเวลาเราเจอใคร แล้วก็เอาขนมมาฝากกันเนี่ยวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญให้เขาเันี้เรียกว่าแผ่เมตตา เ, เวลาเขาพูดไม่ดีก็สาธุไปอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาไปเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่มานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่มันไม่ได้แผ่ให้ใครอันนั้นเป็นการสวดเป็นการสอนสอนตือนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อย่างไรเอาเวลาโหนตุไม่จองเวร อายาปชาโหตุไม่เบียดเบียนอานิคาโหตุไม่ทำร้ายกันสุขีอัตานังปริหารันตุให้เขามีความสุขกันนี่คือการแผ่เมตตาสี่ลักษณะไม่ได้แผ่ด้วยการสวดแผ่ด้วยการกระทาเวลาเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาเนี่ให้เขาเบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็แผ่เมตตาให้เขาคาถามจากครูแดง กรับเรียนถามพระอาจารย์การที่เราเลือกทําบุญกับพระที่เราศรัทธาแต่พระบางรูปเราไม่อยากทําถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเราก็เลือกทํากับพระที่เราอยากจะทําำทำแล้วเราเกิดความสุขเราก็ทำกับพระรูปนั้นไปเพียงแต่ว่าไม่ควรจะทําเพราะรูปของท่านหรือเพราะเสียงของท่านต้องทําเพราะว่าท่านมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะท่านมีศีลงหรือไม่มีศีลง ว่าเราอยากจะสนับสนุนคนมีศีลคนมีธรรมมาแต่เราไปสนับสนุนคนที่รูปดีเสียงดีแต่ไม่มีศีลแล้วก็ไปส่งเสริมให้คนไม่มีศีลเจริญก้าวหน้าเพะงั้นการที่เราจะทําบุญกับใครเราต้องดูว่าคนนั้นเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีจะทำคุณทำโทษแก่ผู้อื่นถ้าเขาเป็นคนที่ทําโทษทําความเสียหายแก่ผู้อื่นก็อย่าไปทํากับเขา ทำ<ถ>กับคนที่เขาเป็นคนดีที่จะไปทำคุณทำประโยชน์หรือ hmm. ที่เขาจะมาให้ประโยชน์กับเราเช่นสอนธรรมะให้กับเราที่เราเลือกพระบางทีก็เพราะว่าเราไปหาพระบางรูปเพราะพระบางรูปบางทบางีบางรูปไม่ให้ธรรมะบางรูปให้ธรรมะถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่ให้ธรรมะกับเราการเลือกพระไม่เป็น <S <S ไม่เป็นไม่เป็นการเสียหายเหมือนกับการเลือกร้านอาหารเนี่ย คุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปหาร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะกินพิซซ่าก็ต้องไปหาร้านที่ขายพิซซ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วเนี่ยพอพวกนี้ญาติโยนะเอาแล้วนะคิดว่าหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร ยาตโย่บ อ, อกพรุ่งนี้เราจะใส่บาทอะไรเดี๋ยววันนี้รู้แล้วเนี่ยหลวงพ่อส่งสัญญาณมาให้แล้ว